บทที่หนึ่งร้อยยี่สิบดระพินไพรวันคงยืนสนิทนิ่งอยู่กับที่เช่นนั้นนานกระทั่งเสียงเพลงแผ่วหวานหายสุดสิ้นไปกลายเป็นความเงียบสงัดตามเดิมเขาควักก้นซิก้าขึ้นมาจุดสูบแล้วหย่อนกายลงนั่งเอ่ยขึ้นลอยลอยโดยไม่หันกลับมาเลยว่าแกก็รู้นี่ ว่าดอกฟ้าจะต้องประดับกิ่งฟ้าเสมอถึงแม้จะโน้มกิ่งลงมาก็เพียงชั่วขณะเท่านั้นละแงส่สายมีเสียงไหวกายแผ่วเบาที่ใดที่หนึ่งเบื้องหลังเขาก็ไม่แน่นักนะครับดอกฟ้าอาจจะลงมาประดับกิ่งดินตลอดไปก็ได้ความรักปราศจากอาณาจักรและพรมแดนนะครับแพนใหญ่ถอนใจฮือเบือนหน้ากลับมาช้าช้า ท่ามกลางแสงจันทร์อแรมใสร่างหนึ่งนอนพังภาพอยู่บนก้อนหินเตี้ยเตียเบื้องหลังเขาและเห็นฟันขาวจากใบหน้าที่เป็นเงามืดห่างจากระดับหินต่ำที่เขานั่งอยู่เพียงชั่วแขนเดียวชนิดเอื้อมถึงกันทุกครั้งไม่ว่าจะโดยสถานการณ์ใดรู้สึกว่าแกพยายามจะสะกดรอยอยู่เบื้องหลังฉันตลอดเวลานะเนี่ยผู้กองครับ้วยความสัตย์จริงนะครับ สาบานให้ดับไปต่อหน้าแสงเดือนนบบัดนี้ดิผมนนั่งของผมอยู่ที่นี่ก่อนนั่งมานานแล้วผู้ ก, กองนี่เดินเข้ามาใกล้ผมเองแง่าสายตอบยังนองพังภาพอยู่ในอาการเดิมเห็นแต่ฟันสีขาวอันเกิดจากรอยยิ้มจ้าระพินหมุนตัวหันมานั่งเผชิญหน้าหลังเอ็นพิงก้อนหินระหว่างที่เขายังมองมันนิ่งๆอยู่เช่นนั้นเจ้ากระเลียงมงามผู้ลึกลับขยับชันศีรษะขึ้น ใช้สอกลากตัวเองเคลื่อนมาจนสุดริมแท่นหินเรียบที่ขึ้นไปนอนอยู่ชะงโงกหน้าต่ำลงมาหาจนห่างกันเพียงแค่สอกเดียวสามารถมองหินดวงตาของกันและกันได้ในแสงเงินยวงนั้นนำเสียงกระซิบกระซาบที่กล่าวต่อมามีกระแสตื่นเต้นจริงจังขึ้นผู้กองครับจะต้องทุกข์ร้อนกังวลใจไปทาไมล่ะครับที่โน่น แงใสยชีมือประกอบคำพูดมรกรนครความมั่งคั่งเป็นมหาเศรษฐีรอคอยผู้กองอยู่แล้วถ้าหากว่าผู้กองปราถนานะครับฉันไม่เข้าใจที่แกพูดยิ้มนั้นกว้างออกไปอีกผู้กองครับเพชรพลอยอั ญ, ญมณีอันมีค่าและทองคำอันเป็นมหาสมบัติของพระอุมาเทวียังไงล่ะครับ มหาสมบัติอันนับซึ่งเป็นความปรารถนาของมนุษย์มาตลอดศตวรรษผู้กองลืมใช้แล้วหรอครับว่าที่ผู้กองเดินทางบากบัน่นมาในครั้งนี้นะ่ะเพื่ออะไรจอมพรานหัวรอ้อฮืในลำคอพร้อมกับยักไหลฉันเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามค้นหาบุคคลสาบศูนย์เท่านั้นนะแง่สายและสิ่งที่ปรารถนาก็คือราคาค่าจ้างซึ่งฉันได้รับไปแล้วไม่ได้ปรารถนาอะไรนอกเหนือไปกว่านั้น นี่คือความจริงใจของฉันก็แล้วบุคคลสาบสูญที่ผู้กองนำทางค้นหาอยู่ในขณะนี้แหละครับเขาต้องการอะไรบุคคลสาบสูญก่อนก่อนนั้นละ่ะอีกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนแหะครับคนเหล่านั้นเสี่ยงต่อทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่ออะไรแงซายกล่าวต่อมาโดยเร็วเลือกระแสเสียงผิดไปกว่าทุกครั้งตาเป็นประกายวาวคมกล้า คุณกองคงไม่เชื่อล่มั้งครับว่าขุมเพชรพระอุมาอ่ะมีอยู่จริงๆยังเหนื่อยหน่ายระอาจใจระพินไพรวันตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยๆว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันที่ฉันได้ยินคำนี้ออกมาจากปากของแกอีกคนนอกเหนือจากที่เคยได้ยินมาก่อนแล้วจนขี้หูตันแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้พวกเราทั้งหมดเดินทางกันมาจนกว่าครึ่งค่อนทางแนละ้วฉันก็ยังบอกตัวเองไม่ถูก ว่าเราจะบ่ายหน้ากันไปจนถึงไหนอะไรเป็นจุดหมายปลายทางที่แน่นอนสมมุติว่าถ้าเราเดินไปจนสุดล่าฟ้าเขียวแล้วก็ยังไม่ได้ข่าวคราวใดๆทั้งสิ้นของคนสาบสูญคู่นั้นฉันไม่เชื่อเรื่องมรกรนครอันเป็นเมืองลับแลซึ่งซ่อนอยู่ในหุบเขาประศิวะไม่เชื่อเรื่องขุมเพชรพระอุมาและสำหรับแกเดี๋ยวนี้ฉันก็อยากจะคิดว่าเป็นคนพิการทางจิตประสาทอะไรสักอย่างนึง ที่ฝันเพอ้อทึกทักตัวเองไปว่าเคยอยู่ในดินแดนนั้นมาก่อนและปรารถนาที่จะกลับไปให้ได้จนถึงก็ยอมเสี่ยงมากับพวกเราด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องเลี้ยวไหลทั้งเพแง้ซรายเหวียงตัวจากก้อนหินที่นอนหมอบอยู่นั้นอย่างรวดเร็วและเบากริบลงมายืนเผชิญหน้ากับเขาในระดับพื้นเดียวกัน มันก็สุดแต่ว่าผู้กองจะค้นหาทางเข้าถูกหรือไม่เท่านั้นนะครับถ้าค้นไม่พบทางไม่ว่าจะเดินจนสุดขอบโลกเช่นไรก็ปราศจากผลภูเขาและหิมะเท่านั้ น, นะครับที่จะรอเราอยู่เบื้องหน้าและนั่นคือความล้มเหลวเอาชีวิตไปทิ้งซะเช่นเดียวกับ น, นักสแสวงโชคคนอื่นๆทุกยุคทุกสมัยที่ล่วงหน้ามา ก, ก่อนแต่ถ้าเข้าถูกทาง อดีตร้อยโทกกองโจนกระเรี่ยงทิ้งคำพูดให้ชะ ง, งักลงเพียงแค่นั้นแงหน้ามองดูเดือนแรมสามคำซึ่งบัตรนี้ลอยคว้างอยู่เหนือกลางคว้าอันปราศจากเมฆหมอกบงังเหมือนจะคิดคำนวณเปรียบเทียบว่าอีกสักกี่วันมันจะถึงกำหนดคืนที่ขึ้นห้าคำแต่ฉันเชื่อว่าความล้มเหลวทั้งมวลมันจะไปรวมอยู่ตรงที่ว่าเราค้นไม่พบทางนั่นแหละ แล้วมันไม่มีทางให้ค้นพบได้ร็อกแงซายไม่ว่าเราจะไปถึงเนินพระจันทร์ตรงตามกำหนดที่ลายแทงระบุไว้ก็ตามอีกไม่นานนักเราจะได้รู้กันครับว่าเราจะค้นพบทางหรือไม่ทาไมแกแน่ใจหรือว่าเราจะค้นพบเมื่อผมมีผู้กองยืนอยู่เคียงข้างครับ ภายหลังจากนิ่งกันไปครู่ระพินก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วต่ำจริงจังว่าแง่าสายสมมตินะสมมุติว่าถ้าแกรู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับมรกนครหรือขุมเพชรพระอุมามากกว่าเท่าที่ชั้นได้ยินมาแล้วในลักษณะนิยายปรำประราก็ทำไมาแกไม่ให้รายงานกับชั้นเสดีวนี้ล่ะมันจะเป็นการสะดวกต่อ ง, งานค้นหาของเราอีกมาก แยบใดก็ตามที่แกก็มีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะไปให้ถึงเท่าๆกับฝ่ายนายจ้างของฉันเหมือนกันเอาละ่ะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ขาดคันให้แกต้องลำบากใจในข้อที่ว่าแกรู้ได้ยังไงผู้กองครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะรู้เรื่องราวของอาณาจักรลี้ลับที่เรียกว่ามรกรกนครและแหล่งขุมเพชรพระอุมานี้ได้ละเอียดสักเพียงไหน แต่รู้ว่ามันมีอยู่จริงส่วนใครจะไปได้ถึงหรือไม่นะมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและโชคชะตาเสียงกล่าวนั้นแช่มช้าชัดเจนยิ่งดวงตาทั้งคู่เป็นประกายแวววาวและคาวหน้าเต็มไปได้วยความหวังขอบเขตของอาณาจักรนั้นตรงบริเวณที่เชื่อมติดกับภูมิศาสตร์โลกเป็นบริเวณที่ประสาททั้งห้าของมนุษย์พบกับประสาทส่วนที่6 ความจริงบรรจบความฝันดินแดนแห่งดวงจิตนั่นแหละนครหนึ่งและนครเดียวเป็นเอกเทศรุ่งเรืองอยู่กลางอาณาจักรการเวลาและความผันแปรวิวัฒนาการของโลกภายนอกไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปเกี่ยวข้องกับดินแดนนี้ได้การเวลาของแดนนี้เป็นของตนเองโดยเฉพาะอารยาธรรมความรุ่งเรืองทั้งหลาย เป็นความรุ่งเรืองในอดีตการของมนุษยชาติย้อนหลังจากปัจจุบันการของโลกภูมิศาสตร์ไปนานสักเท่าใดก็สุดที่จะคันเนได้บางที่มรกรุนครอาจเป็นเสมือนนิทรานครแหล่งที่สองผิดกันแต่เพียงว่านิทรานครนั้นได้ถ ล, ล่มล่มลงและตายแล้วแต่มรกรนครยังดำรงอยู่มีบ้านเมืองประชากรมีปราสาทราชมียล และแน่ละมีราชบัลลังก์อันหมายถึงมีกษัตริย์ปกครองแง่าซายแผ่วเสียงเบาลงจนเป็นเหมือนกระซิบเหมือนจะกล่าวกับตนเองดวงตาที่เบิกสว่างพโพลง่งบัดนี้หรี่ซึมลงระพินไพรวันไม่เปลี่ยนสายตาไปจากวงหน้านั้นด้วยอาการพินิจเขาอัดควันซิกาลึกกล่าวเตือนว่า พูดต่อสิแง่ายกษัตริย์ผู้ครองนครเหล่านี้รับราชสมบัติอันเป็นมรดกตกทอดตามประเพณีสืบต่อกันมาเป็นลำดับบางยุคบางสมัยก็เปลี่ยนราชวงศ์ไปอันเกิดจากการขบุช่วงชิงฆ่าฟันกันเองเพื่ออำนาจแผ่นดินปกติสุขบ้างเกิดสงครามสู้รบน้องเลือดบ้างแต่มรดกนครก็ยังเป็นมรดก มรกรนครอยู่ความร่มเย็นสารติสุขของแผ่นดินจะมีขึ้นได้เพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ครองนครแต่ละยุคสมัยสุดแต่ทศพิษราชธรรมหรือทรรารจะพูดไปมันก็ไม่เป็นเรื่องน่าประหลาดหรือเชื่อเกินไปนักเมื่อเปรียบเทียบกับความมหัศจรรย์ต่างๆที่เราผ่านพบกันมาปัญหามันก็อยู่ที่ว่า เราจะมีโอกาสไปถึงนครลับแลนี้หรือไม่เท่านั้นที่นี่ว่าถึงขุมเพชรพระอุมาแกตั้งใจใจฉันเข้าใจว่ามันเป็นสมบัติของกษัตริย์ผู้ครองนคร น, นี้เหะอไงาสายสันน่ชาช้าก็ไม่เชิงล้ครับผู้กองขุมเพชรพระอุมาไม่ได้เป็นสมบัติในท้องพระคลังของกษัตริย์แห่งมรกรนครหากแต่เป็นสมบัติของเทพเจ้า ฝังซ่อนอยู่ในสุสานใต้ลูกเขาใหญ่อันมีลักษณะเป็นองค์เทพเจ้าอุมาเทวีประทับนั่งอยู่สุสานนั้นเป็นสุสานของกษัตริย์พระศพของอดีตกษัตริย์ทั้งหลายถูกนําเข้าไปเก็บอยู่ยังสุสานใต้ขุนเขาลูกนั้นภายในสุสานเต็มไปด้วยห้องลับและหนทางลับเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และห่วงห้ามชาวมรกรนครทุกคน รู้ถึงแหล่งมหาสมบัติแห่งเทพเจ้านี้ดีแต่ไม่มีใครบังอาจกล้ำกลายเข้าไปค้นหาแตะต้องและยึดถือมาเป็นสมบัติส่วนตัวได้แม้แต่กษัตริย์แห่งมรกรกนครเองทุกยุคทุกสมัยก็ไม่บังอาจเข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากจะปล่อยไว้ให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินเช่นนั้นมาตลอดทำไมล่ะมันเป็นสมบัติอาถรรพ์ครับเชื่อกันว่า ใครก็ตามที่บังอาจไปแตะต้องสมบัติของเทพเจ้าจะต้องถึงการหายณะเห็นทันตาความศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ปรากฏให้เห็นมาแล้วทุกยุคทุกสมัยจนไม่มีผู้ใดในมรกฏนครกล้าแม้แต่กษัตริย์ทรราชที่เหี้ยมโหดเล็กแข็งแกร่งที่สุดผู้พยายามจะนำออกมาเป็นทรัพย์เ่วนตัวก็ถึงแก่ความพินาศไปแล้วหลายองค์ขุมเพชรพระอุมาจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวมรกรนครทั้งหมด ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาฉันเชื่อว่าสิ่งที่แกเล่าฉันฟังนีแกได้รับการบอกเล่าต่อมาจากพระธุดงที่เลี้ยงแกมาซึ่งก็มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างตรงกระจดหมายเหตุประกอบลายแทงของมังมหานอนรธาทําไมพระธุดงองค์ น, นั้นน่ะท่านเคยเหยียบย่างไปถึงดินแดนนั้นแล้วเหรอแง่าสาท่านไม่ได้บอกผมว่าท่านได้ไปถึงดินแดนนั้นแล้วหรือไม่นะครับ ก็อย่างที่ผมเคยบอกแล้วตา บ, บะชานของท่านกแก่กล้ามากแม้ท่านจะไปไม่ได้ด้วยอินทรีย์อันเป็นร่างกายของท่านในสมัยที่ยังมีชีวิตท่านก็อาจไปถึงแล้วด้วยกายละเอียดนั่นคือดวงจิตท่านเป็นผู้อย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้เพียงแต่เข้าสมาธิอยู่กับที่เท่านั้นและครับอะสมมตินะสมมติอีกทีวา่าทางเปิดสาหรับเรา เราสามารถเข้าถึงอาณาจักรรับแลนี้ได้ก็แปลว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับชาวมรกรนครอันเป็นเจ้าของแผ่นดินก่อนจะเข้าถึงสูตรสารอันเป็นแหล่งขุมเพชรนะสิใช่ไหม ย, ยิ้มเยือกเย็นปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากนั้นข้อนี้ไม่มีปัญหาแน่ครับผู้กองเราทั้งหมดในฐานะผู้แปลกถิ่นต่างแดนจะต้องเผชิญหน้ากับเจ้าของดินแดนเดิมยางไม่มีทางเลี่ยง พวกเขาจะรู้ถึงการล่วงแดนของฝ่ายเราในทันทีแม้เพียงก้าวแรกที่เราเหยียบย่างเข้าสู่อาณาจักรแล้วเขาจะต้อนรับเราเหรอผมไม่กล้าคำรับรองเลยครับมันสุดแล้วแต่ผู้นาของเขาคือกษัตริย์ที่ทรงอำนาจปกครองอยู่แต่ผมคิดว่ายากมากเพราะชาวมรกตทุกคนย่อมรู้ดีถึงวัตถุประสงค์ของการมา ของมนุษย์ต่างแดนเสมอว่าปรารถนาอะไรมนุษย์เหล่านี้เต็มไปได้วยความโลภโมโทสันต้องการเอาอารยธรรมอันต่ำซามของโลกภายนอกเข้าไปเผยแพร่แล้วก็หวังจะฉกฉวยจุรกรรมมหาสมบัติศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินของเขาไปถ้าเช่นนั้นอันตรายอันยิ่งใหญ่ก็รอคอยเราอยู่ข้างหน้าสินะถ้าเราพยายามจะล่วงล้ำเข้าไปให้ถึงง่ทรา ย, ายในความรู้สึกส่วนตัวของแก เท่าที่ตรวจร่องรอยคนสาบสูนย์เห็นมาทุกระยะจนกระทั่งบัดนี้แกคิดว่าทั้งสองคนนั่นผ่านเข้าถึงอาณาจักรนี้ได้หรือไม่และถ้าผ่านเข้าไปได้ทั้งสองคนจะตกอยู่ในภาวะไหนเรื่องนี้ผมเดาไม่ถูกครับผู้ ก, กองมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องตามเขาต่อไปจนกว่าจะเห็นกระตาผมชื่อว่าอาถรรพ์รอบนอกของมรกรครสลายตัวและเ ป, เปิดทางให้แก่เราแล้ว ก็เหลืออยู่อีกเพียงชั้นเดียวเท่านั้นนะครับคือไปให้ถึงเนินพระจันทร์และหาทางเข้าให้ได้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อจนกระทั่งกล้ายอมเสี่ยงมาด้วยในครั้งนี้ก็คือภูมิปัญญาและความรู้ความสามารถของคณะเจ้านายของผมทุกคนรวมทั้งผู้กองด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรับขันหรือร้ายแรงแค่ไหนก็จะต้องหาทางแก้ไขคลี่คลายจนได้ สำหรับผมนะ่คิดอยู่เสมอนะครับว่าเมื่อคณะเจ้านายของผมทุกคนได้บุกบั่นฟันฝ่ากันจนถึงเหยียบเข้าสู่ดินแดนนั้นได้แล้วก็ควรจะได้รับผลตอบแทนจนคุ้มค่าคือพบบุคคลสาบสูญที่กำลังค้นหากันอยู่ในขณะนี้และได้รับความร่ำรวยจากแหล่งมหาสมบัตินั้นทั่วทุกคนเอาละเอาละนั้นเรามาลองเสี่ยงดวงชะตาชีวิตกันอีกครั้งแกไม่ต้องพูดจาว่านล้อมใดๆ เพื่อกระตุ้นตื่นในชั้นนำคณะทั้งหมดเดินหน้ารอกเพราะถึงยังไงชั้นก็ไม่มีวันถอยหลังเปน็นอันขาดแต่เขาบอกความจริงใจไว้ต่อหน้าแกเดี๋ยวนี้เลยนะว่าชั้นน่ะไม่ได้ปราถนามาหาสมบัติใดๆทั้งสิ้นในการนำทางครั้งนี้ต้องการอย่างเดียวเพียงให้งานสําเร็จผลได้ตัวนายชดประชากรคืนมาเท่านั้นถึงคณะเจ้านายทุกคนชั้นก็เชื่อว่าเขาเลิกคิดฝันถึงเพชรพระอุมาอะไรนั่นไปนานแล้วละ่ะนอกจากติดตามหาตัวคนหายไป เราต้องการเพียงได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ก็น่าแปลกและน่าสนใจมากนะในการที่พวกเราทุกคนกําลังจะย่างเข้าไปสู่ดินแดนที่การเวลาหมุนย้อนกลับไปสู่อดีตไปพบปะกับมนุษยชาติวัฒนธรรมประเพณีและชีวิตการเป็นอยู่ของเขาในลักษณะที่ฝ่ายเราเองกลายเป็นมนุษย์ที่เกิดลําหน้าไปก่อนเขาหลายพันปีขอให้ได้รู้ได้เห็นแล้วก็จะตายก็ไม่ว่า เงยสายเบนสายตามาประสานกับเขาเติมตาหลังก้มศีรษะให้อย่างคาระวะความโลภเป็นอาวุธที่บั่นทอนมนุษย์ผู้กองเป็นผู้ถือสันโดษได้ฉลาดในการดำเนินชีวิตประกอบด้วยความกล้าหาญและซื่อสัตย์สุจริตปราศจากความโลภโมโทสันสวรรค์เบื้องบนย่อมจะคุ้มครองสวัสดิภาพให้ตลอดไปและจะต้องประทานผลสาเร็จที่ตั้งปรารถนาไว้เสมอครับ กล่าวสิ้นกระแสความเจ้าคนลึกลับก็ถอยห่างออกมาแล้วหันกลับเดินผละหันไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของบริเวณแคมป์ที่พักทุกคนลืมตาขึ้นมาพบกับวันใหม่ด้วยอาการอันแช่มชื้นกระปรี้กระเปรา่าหมอดารินศักดิ์จิตเสมอในด้านการเยียวยาและขาดคะเนอาการของคนป่วยมาริยฮอฟมันผู้ซึ่งเมื่อตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานอนหลับเป็นตายเพราะถูกสกดไว้ด้วยยาระงรับประสาท ในเช้านี้หล่อนตื่นขึ้นมาหลังทุกคนก็จริงแต่อาการแสดงออกบอกให้ทราบได้ชัดว่าหล่อนพร้อมที่จะเดินทางร่วมไปกับทุกคนได้โดยไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลเลยและแพทย์สาวประจำคณะก็ให้คำรับรองกระเชษฐาเช่นนั้นภายหลังการตรวจสอบอาการของแม่เพื่อนสาวอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหลงอกไปทียังเป็นห่วงอยู่เลยนะว่าถ้าวันนี้เมมีอาการหนักลงเราจะทำยังไงกันดีเวลามันก็ไม่เอยท่าใช่ด้วยสิ ท่านหัวหน้าคณะกล่าวอย่างยินดีถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะและโดยปกติเมก็เป็นคนทรหดมีน้ําอดน้ําทนดีอยู่แล้วภูมิคุ้มกันในร่างกายก็สูงเมื่อคืนนี้เหตุการณ์ปกติเรียบร้อยดีเหรอฉันหลับไม่รู้เรื่องเลยตลอดเช้ามาเรียถามทุกคนขึ้นครับเป็นคืนที่สงบสุขและนอนกันได้สบายที่สุดนับตั้งแต่ออกจากหลุมช้างมาชครับชยันตอบ เพราะตนเองก็นอนหลับเป็นตายเหมือนกันโดยไม่ได้สะดุ้งผวาขึ้นมาด้วยเหตุการณ์อันทาให้ตรหนกใดๆจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นขบวนทั้งหมดก็เดินผ่านช่องเขาเพื่อบ่ายหน้าทะลุมาสู่อีกฟากหนึ่งของแผ่นดินซึ่งระพินเชิฐถาและงแง่ทายได้ล่วงหน้ามาสังเกตลาดเราไว้ก่อนแล้วตั้งแต่บ่ายวาน ทิ้งซุกทิงทุกอย่างที่ผ่านประจนมาให้เป็นอดีตไว้เบื้องหลังทุกคนเคลื่อนที่กันไปในรูปขบวนอันมีระเบียบเช่นเดิมสังเกตภูมิประเทศริมทางผ่านด้วยความตื่นตาตื่นใจและแม้จะเดินกันไปอย่างสบายตามขนทางอันราบเรียบประดุดใครมาตัดไว้ให้เป็นถนนนั้นแต่ต่างก็ระวังตนพร้อมอยู่ทุกขณะโดยไม่ประมาทเพราะชินต่อเหตุการณ์อันเปรียบเสมือนบทเรียนนับครั้งไม่ถ้วนมาแล้ว ไม่มีวี่แววอะไรทั้งสิ้นในเส้นทางเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างนั้นอยูกระทั่งบรรลุถึงอีกฝั่งหนึ่งของถนนที่ตัดผ่านเทือกเขาซึ่งใช้เวลาเดินเพียงชั่วไม่นานนักมาเรสังเกตลักษณะของหินภูเขาสองฝากฝั่งไปตลอดทางตามนิสัยของหล่อนเช้าแห่งการเริ่มต้นเดินทางวันนี้เชตากำหนดให้แมมสาวขึ้นมาเดินรวมกลุ่มชิดกับเขาและดารินไม่ปล่อยให้ไปคุมท้ายขบวนเหมือนเช่นเคย เพราะยังไม่ไว้ใจในด้านสุขภาพและความคล่องแคล่วฉับไวนักผู้ที่เดินสะกดท้ายกลายเป็นพรานใหญ่ระพินไปในขณะที่แงซทรายเป็นมักคุเทศหัวแถวต่างมาหยุดรวมหมู่กันอีกครั้งเมื่อสุดปลายทางก่อนที่จะไต่ลงสู่พื้นราบเบื้องล่างทุกคนที่เพิ่งจะเห็นชัดเป็นครั้งแรกในเช้าวันนี้ต่างจ้องมองดูทัศนียภาพนั้นด้วยความตื่นงงพิสวง ระหว่างที่ยังยืนรอระพินผู้เดินตามมาเบื้องหลังเชษฐาชี้อธิบายภูมิประเทศให้ทุกคนดูตามที่ได้มาเห็นไว้ก่อนแล้วเมื่อวานและบอกให้ทราบว่าทะเลสาบมรณะควรจะอยู่ทางด้านใดตามข้อคาดคะเนของแง่สายและระพินเมื่อพรานใหญ่เดินตามมาถึงเขาก็ให้สัญญาณทุกคนเคลื่อนที่ต่อและคราวนี้ตนเองออกไตาทางนำหน้าลงไปก่อนตามทางลาดอันมีลักษณะคล้ายไหล่เขานั้น มลงมาถึงทุ่งหญ้าเบื้องล่างและบายหน้าตัดเข้าสูละเมะไม้ลักษณะประหลาดทุกคนสังเกตเห็นรอยเท้าของสัตว์ประเภทตีนกีบย่ำไว้เป็นเถือกราวกับรอยสัตว์เลี้ยงตามทุ่งนาบอกให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตในละแวกนี้มันเป็นรอยใหม่ๆที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เองแม้ว่ายามเช้าตะวันเริ่มขึ้นเช่นขณะ น, นี้จะพากันหลีกเล้นซ่อนตัวกันไปหมดทาให้แลดูเหมือนภูมิประเทศร้างก็ตาม พวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายพอมองเห็นเข้าก็ตาลุกกระ ย, มยิมยิ้มย่องไปตามตามกันโอ้ยอีแบบนี้เราไม่อดอยากปากแห้งแล้วละนายบุญคำร้องขึ้นปนหัวร่อราเดินหาบของกม้กมๆเงยๆไปตลอดทางผ่านเกิดมาบุญคำยังไม่เคยเห็นรอยสัตว์ป่าที่ไหนเดินหากินกันมากมายเต็มทุ่งอย่างที่เห็นอยู่นี่สารพัดทีเดียวเก้งกวางสมัน หมูปาวัวก็มีเอ๊แต่อีรรยนี่บุญคำไม่ค่อยจะชอบเลยพวดพราดปาหน้ากันเข้าเมื่อไรเป็นได้แล่นกันทุ่งกระเจิงอีกประโยคหลังแกพูดอ่อยๆบุยปากสกิดให้ใชยันดูรอยเท้าชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏเด่นชัดอยู่เนื้อปลักเล็กๆมีรอยญ่าเอ็นราแปลกยับเป็นแปลงอดีตนตายทหารปืนใหญ่มองตามแล้วยิ้มถ้าเริ่มออกเดินป่ามาในระยะตน้น ชยันก็คงต้องตาเหลือกขวัญหนีดีฟอไปเหมือนกันสําหรับรอยเท้าชนิดนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาใช่แล้วมันเป็นเหมือนรอยเท้าช้างแต่กรีบเลนเล็บผิดกันไปมากแล้วเขาก็จําได้อย่างแม่นยําว่าเป็นรอยของเจ้าแรดโบราณที่เคยเจอกันมาแล้วตรงบริเวณทุ่งใกล้เคียงเขาเกือกมานั่นเองให้มันเป็นรอยใหญ่โตขนาดช้างชนิดงางอกออกมาจากใต้าปากล่างเราก็ไม่กลัว บุญคำขออย่างเดียวอย่าไปเจอไอ้ชนิดที่ต้องใช้สอนพระรามแงซสายอีกก็แล้วกันวิ่งไม่ไหวว่ะอีกแบบนั้นขยิ่นกระสางปาค้นพบรอยตีนแปลกตรงบริเวณใกล้ช้ยละเมออีกครั้งร่องบวยวายขึ้นอย่างตกใจทำให้ทุกคนต้องเข้าไปมองดูแต่แล้วตังก็เบาใจลงเมื่อมาเรียงเงยหน้าขึ้นบอกภายหลังจากพิจารณาร่องรอยนั้นอยู่อึดใจใหญ่ว่า ไดโนโประเภทกินพืชชนิดหนึ่งตัวไม่ใหญ่นักแล้วก็ไม่ใช่พวกดูร้ายแต่ระวังหน่อยก็ดีถ้าเจอในระยะกระทันหันจวนตัวก็อาจจะมีอันตรายได้เหมือนกันยิ่งใกล้ละเมาะอันเป็นดงค่อนข้างทึบเข้าไปเท่าไหร่พื้นดินก็เริ่มจะแฉะน้าและต้นหญ้าขุนมีระดับสูงขึ้นทุกขณะจนกระทั่งมีระดับเกือบท่วมศีสะทาให้ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ถนัดนัก ทั้งหมดบุกแวกไปตามป่าหญ้าขนอย่างระมัดระวังระพินสั่งให้พวกที่ทำหน้าที่หาหามทั้งสามคู่มาเดินรวมกลุ่มอยู่ตรงกลางตัวเขาเองและคณะนายจ้างอีกสี่คนปลดไรเฟิลออกจากไหลเดินรายล้อมไว้พร้อมที่จะปะทะและสะกัดกั้นได้ทันทีในกรณีที่อาจจะมีสัตว์ร้ายชนิดใดจู่โจมพรวดพลาดเข้ามาตัวพรานใหญ่เองมือนึงถือไรเฟิลอีกมือนึง ถือมีดเดินป่ายาวที่ยืนมาจากบุญคำเดินนำหน้าฟันแวกทางหญ้าขนที่ขึ้นแน่นทึบเหล่านั้นลึกเข้าไปเป็นลำดับเสียงฝีเท้าของทั้งสิบสองคนแม้จะพยายามเดินกันอย่างเบาเพียงไรก็ตามแต่เมื่อบุกเข้าไปในดงหญ้าท่ามกลางความเงียบเช่นนี้ก็ปรากฏเสียงสวบสาบอื้ออึงไปหมดสองหรือสามครั้งในระหว่างที่แวกทางกันเข้าไปมีเสียงสัตว์ใหญ่ที่แลมไม่เห็นตัว วิ่งตเตลิดด้วยความตกใจบุกตะลุยไปในดงหญ้าทิศทางเบื้องหน้าพร้อมกับเสียงคำรามในลำคอเบาๆทำมาทุกคนต้องขยับไรเฟิลเตรียมพร้อมด้วยใจอันเต้นระทึกแต่แล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยปกติเรียบร้อยไม่ปรากฏว่าสัตว์ชนิดใดวิ่งสวนหน้าเข้ามาหรือวิ่งผ่านให้เห็นตัวชัดนอกจากสังเกตเห็นทิวยอดหญ้าไหวลู่เป็นทางการวิ่งของมันเท่านั้นคงเป็นสัตว์ที่ไม่ใหญ่โตอะไรนัก เพราะขนาดของมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาพ้นระดับยอดหญ้าสูงให้แลเห็นตัวได้กระพินฟันหญ้าไปพลางส่งเสียงตะเพิดไล่ไปพร้อมกันด้วยเพื่อมันรู้ตัวและหลีกทางซะดีกว่าที่จะเดินไปประจันหน้ากันในระยะจวนตัวเพราะไม่สามารถจะสังเกตเห็นได้ระดับน้ำตามพื้นอันเป็นบริเวณที่ลุ่มขังน้าแฉนั้นครั้งแรกก็พอท่วมหลังเทา้าต่อมามันก็ลึกลงไปเป็นลาดับ จนกระทั่งลุยกันถึงหน้าแข่งเมื่อเหยียบเข้าสู่ชายดงเสียงสัตว์แตกตื่นวิ่งกระโจนหนีน้ำแตกกระจายโครมครามอยู่ตลอดเวลาโดยยังมองไม่เห็นตัวถนัดมีอยู่สองสามตัวที่มีลักษณะเหมือนสมเสร็จแต่ก็ผิดกันที่สีสันซึ่งมีลายเทาๆพาดเป็นทางยาวไปตามลำตัวพร้อมกับลูกเล็กๆอีกสามสี่ตัวสีเหมือนลายแตงไทยวิ่งตามแม่เป็นพรวนมเรีย ว, วา่าไรเฟิลตามด้วยสัญชาตญาณเคยชิน แต่ช้ยันผู้เดินอยู่ใกล้ๆปัดเสยลำกล้องขึ้นสูงซะเป็นสัญญาณห้ามไม่ให้ยิงพรานใหญ่หยุดชะ ง, งักอยู่เบื้องหน้าขบวนเว้นระยะห่างออกไปประมาณสิบห้าเมตรกว่าตาสำรวจภูมิประเทศแวดล้อมนั้นอย่างพิจารณาอาการของเขาทำให้คณะทุกคนพลอยหยุดการเคลื่อนไหวไปด้วยช่วยสังเกตไปด้วยความระมัดระวังไปทุกทิศระหว่างที่ยืนแช่น้ากันอยู่ครึ่งหน้าแข้งนั้น ลักษณะของป่าที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้คล้ายๆกับป่าปอในเขตที่ลุ่มซึ่งพันไม้ชนิดนั้นขึ้นงอกงามในบริเวณที่มีน้ำท่วมหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดการผิดกันแต่เพียงต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่านี้ไม่ใช่ต้นปอและรพินไพรวันผู้รู้จักต้นและใบไม้ทุกชนิดในป่าก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็นต้นอะไรเพราะไม่เคยพบเห็นมาก่อนจะเป็นพวกสมิดหรือโกงการก็ไม่ใช่เป็นไม้ยืนต้น ลำตรงสูงชะลูดขึ้นไปมีกิ่งก้านสาขาปกคลุมอยู่ยังยอดบนลำต้นไม่สูงใหญ่จนเกินไปนักมีระดับส่วนสูงเพียงไม่เกินยอดตาลตามทุ่งนาและลำต้นก็อวบอย่างมากไม่เกินสองคนอบสิ่งที่ดูแปลกตาไปก็คือรากโคนต้นที่โผล่อยู่เหนือน้ำเหมือนรากไสรแต่ละต้นเหล่านั้นมีรากแข็งแยกเป็นสาขาวัดจากระดับโคนต้นชิดดินขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตร และดูเหมือนเขาอันมากมายยืนคร่อมอยู่กลางน้ำและมีช่องว่างระหว่างรากต่อรากและทะลุปูโปร่งอยู่ทั่วไปสลับกับพื้นน้ำชนิดลม้มลุกซึ่งขึ้นรวมกลุ่มอยู่เป็นหย่อมหย่อมเมื่อล่วงเข้ามาในบริเวณของมันแสงสว่างของตะวันยามเช้าที่เจิดจ้าอยู่ยังทุ่งเบื้องนอกถูกกิ่งใบอันแผ่เบียดเยดประสานกันเหนือศีษะเบื้องบนอําพรางให้ครึมสลัวลงแต่ก็ไม่ถึงกับมืดจนเกินไปนัก และเมื่อปรับสายตาให้คุ้นก็เริ่มจะมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนพอสมควรสภาพป่าเบื้องล่างความจริงไม่แน่นทึบจนเกินไปนักเพราะต้นไม้เหล่านั้นยืนเรียงรายเว้นระยะห่างกันออกไปในสภาพป่าปลูกคายสวนยางพาราที่ปลูกไว้อย่างเป็นระเบียบระหว่างต้นต่อต้นก็ไม่มีพุ่มพงหนาทึบชนิดใดขึ้นเสียดแทรกนอกจากประเภทกกและแขมลักษณะแปลก ซึ่งแซมสลับอยู่บางๆเท่านั้นน้ำที่หล่อเลี้ยงปกคลุมพื้นอยู่เป็นสีเหลืองคล้ายๆสีชาชงแก่ๆแต่ก็ใสพอที่จะมองลงไปเห็นพื้นดินทรายปนกรวดเบื้องล่างได้ถนัดบางแห่งก็เป็นดินโคลนเหลวสีขาวและเห็นพวกสาหร่ายและพันไม้ที่ขึ้นใต้น้ำงอกงามอยู่ทั่วไปบางชนิดออกดอกอยู่ใต้น้ำสีสันวิจิตรงดงามราวกับดอกไม้กระดาษ ที่ใครมาประดิษฐ์ไว้มันเป็นความงามอันน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติเร้นลับรักคนไปกับความน่าหวาดระแวงชนิดจะวางใจใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นความงามที่รักคนไปความน่าสะพึงกลัวแม้จะไม่ต้องสะกิดเตือนบอกกันเลยทุกคนก็สามารถจะเข้าใจโดยสัญชาตญาณจากภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในขณะนี้ระหว่างเข้ามาอยู่ในวงแวดล้อมทิศซึงอาศัยจากการดูตะวัน เริ่มสับสนสังเกตไม่ได้แน่นอนอีกครั้งระยะสุดช่วงของสายตาที่แล้วไปรอบด้านเห็นแต่ลำต้นไม้ดังกล่าวเรียงรายสลับซับซ้อนไม่อาจบอกได้ว่ามันมีขอบเขตสิ้นสุดลงที่ไหนระดับสูงตามยอดไม้ไม่ปรากฏว่าจะมีสัตว์ประเภทลิงข้างหรือว่านกใดๆทั้งสิ้นมันเงียบเชียบสงบไปหมดแต่ภายหลังจากเพ่งสังเกตยอย่างทีท่วน ก็แลเห็นค้างคาวและบางบางชนิดรูปปีกเกาะห้อยหัวสงบนิ่งอยู่เป็นระยะระยะนานๆครั้งจะส่งเสียงร้องเบาๆพร้อมกับขยับตัวนิดๆและราวกันนัดกันไว้คณะทั้งหมดพากันเงียบกริบไม่มีใครเคลื่อนไหวหรือพูดอะไรกันเลยแม้แต่คำเดียวนอกจากสายตาที่กวาดไปรอบๆทั้งสูงและต่าและในที่สุดเมื่อไม่อาจสังเกตอื่นใดได้ได สายตาทุกคู่ก็จับไปที่รพินไพรวันเป็นตาเดียวเหมือนจะใช้เป็นเครื่องวัดสถานการณ์ต่างเห็นเขาเริ่มเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาลงเข้าไปที่โคนต้นไม้ที่รากพลูลักษณะเหมือนขาอย่างต้นที่ใกล้ที่สุดพินิษดูรากและเปลือกของลำต้นอย่างถี่ถ้วนพลงางใช้มีดเดินป่าสับเปลือกออกตรวจแล้วยกหลังมือขึ้นขยี้ปลายจมกูกในลักษณะใคร่ครวนขบคิด ไปมองรอบๆในรัศมีเบื้องหน้าอีกครั้งเมื่อนนั้นเองเทถาจึงลุยน้ำอย่างแผวเบาตรงเข้าไปสมทบในชายันดารินกมาเรียก็ปล่อยเคลื่อนตามเข้าไปด้วยทิ้งให้พวกพรานพื้นเมืองยืนรวมกลุ่มกันอยู่ที่เดิมลักษณะมันพิกลอยู่นะผู ก, กองมันคล้ายๆป่าลุ่มต่ำขังน้ำในหุบหมาหอนตอนที่เราตามไอ้แหว่งครั้งนั้น ผิดกันที่ลักษณะของต้นไม้แปลกๆพวกนี้เท่านั้นระพินยังไม่ตอบอะไรในขณะนั้นสงสะเก็ดเปลือกไม้ที่ถากออกไปให้มาริอาฮอบมันตาก็ยังสอดใ ส, ส่สํารวจสูงต่ําอยู่เช่นเดิมแมมสาวรับเปลือกไม้ชิ้นนั้นไปพิจารณาแล้วเคลื่อนเข้าไปตรวจตรงแผลที่พรานใหญ่ถากไว้เมื่อคืนวันซื้อนี้ฝนตกหนักมากดารินเอ่ยทําลายความเงียบขึ้นอีกคนนึงอย่างแผ่วเบา จะเป็นไปได้ไหมที่พื้นต่างบริเวณนี้นะ่ะเดิมเป็นพื้นแห้งแต่เนื่องมาจากน้ำฝนที่ยังระบายไม่ทันมันเลยนองจอึ่งชยันสั่นสีษะอย่างไม่เห็นด้วยเลส ก, กิจให้เพื่อนสาวสังเกตลงไปยังสาหลายใต้น้ำน้อยน้ำน่ะไม่ได้ท่วมบริเวณนี้เพราะน้ำฝนหรอกแต่มันเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังหล่อเลี้ยงมาช่วนาตาปีละไม่งั้นจะไม่มีพันไม้ใต้น้าขึ้น สังเกตที่รอยคราบของระดับน้ำที่ปรากฏอยู่บนรากไม้นั่นด้วยดิมันมีขึ้นและลงเหมือนกันสภาพของมันคล้ายๆปาสมิจแถบใต้ทะเลหรื อ, อยังไงพวกกองประโยคไทยชยันหันไปฟังความเห็นจากยอมพรานผู้นิ่งเงียบอยู่ตลอดเวลาระพินกับดริมฝีปากนิดนึงอาการเต็มไปได้วยความครุนคิดผมอยากจะเชื่อนะครับว่าโลกใต้ทะเลสาบมรณะเข้ามามากที่สุด ปาบริเวณนี้จะต้องเป็นป่าลุ่มต่ําขอบทะเลสาบและระดับน้าที่เ อ, อ่อท่วมป่านี้ก็คือระดับน้าของทะเลสาบนั่นเองเพียงแต่ว่าก่อนจะถึงบริเวณทะเลสาบแท้จริงมีป่าล้อมรอบอยู่พื้นที่ที่เราเดินกันมาสังเกตไหมครับว่ามันราบต่ําลงเป็นลำดับครั้งแรกก็มีเพียงน้ำแฉะตรงขอบทุ่งพอล่วงเข้ามาในป่านี้ระดับน้าเริ่มลึกลงมาเป็นลาดับเอ ถามจะไม่เข้าทีเช่แล้วนะท่านหัวหน้าคณะว่าเริ่มมีอาการอึดอัดใจยังไงพิกลระวังกันไว้ว่าจะมองเห็นทะเลสาบมรณะในเส้นทางผ่านที่สะดวกคือเราเดินอยู่บนที่สูงแล้วเลียบเข้าชิดขอบบึงใหญ่นั่นได้นึกไม่ถึงนะว่าอาณาเขตบริเวณของทะเลสาบมันจะแผ่ดินแดนขึ้นมาบนป่าริมฝั่งในบริเวณใกล้ๆถึงเพียงนี้ถ้าเราจะไปให้ถึงกันจริงๆ นี่ไม่แปลว่าเราจะต้องลุยน้ําไปในป่านี่ลึกลงไปเป็นลำดับเลยแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าอีกระยะสักแค่ไหนจึงจะถึงส่วนที่เป็นทะเลสาบแพท้จริงเราต้องหาทางไปที่สะดวกและน้ําไม่ลึกเกินความจําเป็นนักอย่างน้อยที่สุดก็ยังอาศัยสังเกตระดับน้ําตามคนต้นไม้เหล่านี้ได้ว่ามันจะลึกสักแค่ไหนและควรจะหาทางเลี่ยงไปทางใดผมเชื่อนะครับว่าอาจมีที่ดอนอยู่เป็นระยะให้อาศัยเดินไปได้ และเท่าที่สังเกตดูนี่ระดับน้ำในป่าแถบนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะลึกไปกว่านี้มากนักมันท่วมอยู่ในระดับไม่เกินสามฟุตเท่านั้นพวกสัตว์ป่าจากทุ่งเบื้องนอกอยังป้วนเปี้ยนเข้ามาหากินในนี้ได้กระพินกล่าวอย่างระมัดระวังแล้วชี้คณะนายจ้างของเขาดูแนวน้ำที่คุณเป็นทางเบื้องหน้ากระจัดกระจายอยู่สองสามแนวอันเป็นทางแล่นเลิดไปของสัตว์สี่เท้าบางชนิดก่อนที่คณะทั้งหมด จะเคลื่อนมาที่นี่แล้วเขาก็หันมาทางมาเรียผู้บดียืนแงน้มมองดูลักษณะของยอดไม้ที่รากแข็งงอกอยู่รุ่มรามโคลนต้นพอดีแมมสาวหันมาสบตาคุณคิดยังไงเม่ในตาสีดอกผักตบคู่นั้นรีลงฉันไม่อยากจะคิดอะไรเลยสักอย่างนะไพวันตั้งแต่เราผ่านดินแดนนิทรานครมาสภาพของต้นไม้ก้อนหินและสัตว เท่าที่พบเห็นมามันเป็นสมบัติของโลกในยุคต้นทั้งนั้นซึ่งไม่น่าเลยที่เราจะมาพบค่ะถึงป่าที่เรายืนกันอยู่เดียวนี้ก็เหมือนกันนะมันมีลักษณะคล้ายๆกับป่าในที่ลุ่มต่ำต้นยุคซีโนโซอิกอันเป็นยุคที่ชีวิตและพืชเริ่มพัฒนาขึ้นคุณนําทางมาไม่ผิดแล้วทะเลสาบจะต้องอยู่ใกล้ๆนี่แลหละทางตัดให้ดีเถอะถ้าคิดว่ามันจําเป็นที่เราจะต้องยึดทะเลสาบนะเป็นหลัก ระพินหันมามองเชิดถามเหมือนจะขอความเห็นท่านหัวหน้าคณะก็พยักหน้าตบไหลเบาๆเอา้าเดินหน้าต่อหาทางไปให้ดีก็แล้วกันแล้วก็รักษาระดับน้ําในแนวเดิมของพวกเราไว้ดีด้วยละ่ะไปเขาลงห้วยเดินดงกันมามากแล้วนี่ใหญถึงก็ต้องไหวยน้ําไปเลยนะนายพรานดารินรีบบอกมาโดยเร็วอีกคนหนึ่งแล้วตบที่แขนมาเรียสั่งว่าเมย ต้องระวังให้มากนะขณะนี้เรากำลังแช่น้ำเกือบครึ่งตัวแล้วระวังอย่าให้น้ำเปียกเข้าไปถึงแผลเชีจะอักเสบเป็นหนองรักษาลำบากขึ้นอีกนะเพื่อนสาวต่างผิวยิ้มตอบและพึมพ์พมขอบคุณเบาๆระพินดีดนิ้วเรียกแง่ทรายเข้ามาสองคนซุบซิบหาเรืออะไรกันอยู่ครู่หนึ่งเกี่ยวกับทิศทางซึ่งสังเกตไม่ได้ในขณะ น, นี้ต่อมาเขาก็ลวงเอาเข็มทิศขึ้นมาเปิดดูมองซ้ายมองขวา อีกอึจใจเดียวก็ออกเคลื่อนต่อไปพร้อมกับทำสัญญาณให้ทุกคนเดินตามสิ่งที่ทุกคนระมัดระวังกลิงเกรงมากที่สุดในยามเดินบุกน้ำไปกลางดงทึบเช่นนี้ก็คืองูทุกชนิดและสัตว์น้ำอันตรายต่างๆรวมทั้งภัยจากธรรมชาติซึ่งมองไม่เห็นและไม่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าด้วยและความกลัวย่อมจะเตือนให้เกิดความระวังระไยทุกฝีก้าวย่างพร้อมทั้งประสาทหูตา ที่ตื่นพร้อมรพินซึ่งนําเคียงคู่ไปกับเชิฐาสกิจชีนายจ้างของเขาสังเกตขึ้นไปกลางลำต้นของต้นไม้ต้นหนึ่งที่เดินผ่านอันปรากฏรอยหนาของดินโคลนหมัดมาติดอยู่ราวกับใครโกยใส่เสียมขึ้นไปป้ายไว้ระดับมันสูงเหนือศีรษะทุกคนขึ้นไปประมาณสองว่าและนั่นดูเหมือนจะไม่ต้องบอกกันเชิฐาก็รู้ทันทีว่าเป็นรอยของช้างยักษ์ไดโนเทเรียม ที่เอาสีข้างมาเสียดสีไว้ทุกคนไม่มีใครปริปากได้แต่มองตากันเองแล้วก็เร่งระมัดระวังตัวหนักขึ้นไปอีกภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมมันบอกได้ชัดเจนว่าอันตรายอาจจู่โจมเข้าถึงตัวในวินาทีใดวินาทีหนึ่งได้ทั้งสิ้นระหว่างที่เรียงแถวเข้าขบวนลุยน้ำกันไปครั้นแล้วทันทีนั้นเองทำามความเงียบ มีแต่เสียงเท้าทั้งสิบสองคู่ยำลุยน้ำอยู่จอมแจ่มทั้งหมดก็ต้องสะดุ้งสุดตัวและหยุดชะงักอยู่กับที่เหมือนถูกสะกดด้วยเสียงชนิดหนึ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันดังอึ้งฉนันวันไหวสะท้อนก้องไปทั้งความเงียบสงักมันเป็นเสียงคล้ายคลๆสิ่งอันใหญ่โตมหูลานและมีน้ำหนักมากที่สุดเลนลงไปกระทบน้ำเสียงตูมซาฉนัน พร้อมทั้งฝอยน้มที่แผ่กระจายไปทั่วทางขาวที่เกาะอยู่บนยอดไม้แตกตื่นบินพลูชงเสียงร้องแซกไปหมดขณะจิตใหญ่ๆที่ทั้งคณะพากันยืนนิ่งอยู่นั้นต่างสังเกตเห็นระลอกคลื่นกระเพื่อมพลายไล่ริ้วมาตามผิวน้าที่เคยนิ่งสงบกระชอ ก, กระทบโคนต้นไม้อยู่ทั่วไปแม้ว่ามันจะไม่เป็นคลื่นใหญ่โตนักแต่ก็พอจะอยังทราบได้ทันทีว่า มันเป็นปลายรัศมีของน้ำที่ถูกสั่นสะเทือนโดยแรงซึ่งกินดินแดนไล่อนณาเขตออกไปรอบทิศจนกระทั่งเบาบางตรงบริเวณที่พากันยืนอยู่ฝูงค้างคาวที่แต่ตื่นบินว่อนอยู่นั้นวุ่นวายอยู่ชั่วขณะก็เข้าเกาะพักนอนตามเดิมทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นดึกสนีภาพเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยอีกครั้งทะเลสาบอยู่ทางด้านนี้แน่นอนครับ รับพินกระซิบกับเชิดถาพร้อมกับชี้มือไปทางด้านขวาคลื่นมาแตกกระจายกระเพื่อมาทางด้านนี้ครับเสียงคล้ายๆอะไรกระโดดลงไปในน้ำนะน้ำหนักตัวไม่ใช่น้อยทีเดียวท่านหัวหน้าคณะเอ่ยมาด้วยเสียงเดียวกันสายตาจ้องเขม็งไปทางด้านที่พรานใหญ่ชี้บอกเหมือนจะพยายามเพ่งภาพต้นเหตุให้ปรากฏขึ้นในคลองจักสุให้ได้ จะต้องเป็นสัตว์ใหญ่มากทีเดียวครับแต่ผมยังเดาไม่ถูกในปฏิกิริยาเคลื่อนไหวของมันว่าเกิดขึ้นในลักษณะไหนครับขณะที่พูดเขาเหลือบตาขึ้นไปสังเกตบนยอดไม้ที่ฝูงค้างคาวบินเข้าที่เกาะนอนห้อยหัวตามเดิมอีกครั้งผางบุยปาก็เชิดาดูแต่เชื่อก็คงไม่มีอันตรายร้ายแรงอะไรนักหรอกครับและคงจะเกิดขึ้นบ่อยๆจนเป็นธรรมดาของถิ่นนี้แล้วล่ะครับ ไมยงั้นฝูงค้างคาวนั่นคงจะเพ่นไปหมดแล้วคุณว่าเป็นไปได้ไหมไดโนเทเรียมมันฟาดงวงเล่นน้ําอยู่ใกล้ๆเพราะเราก็เพิ่งเห็นรอยมันเอาสีข้างเบียดต้นไม้ไว้หยกๆนี่ช ย, ยันเอ่ยแผ่วเบาขึ้นบ้างกระพินนิ่งเขายังไม่อาจให้ความเห็นอย่างใดได้ทั้งสิ้นในเสียงน้ําแตกลึกลับที่ดังมาเมื่อครูน่นี้แต่ในใจปฏิเสธความเห็นของช ย, ยันโดยสิ้นเชิง เสียงชนิดนั้นมันไม่ใช่เสียงฟาดงวงเล่นน้ำของสัตว์ประเภทช้างเลยไม่ว่ามันจะมีขนาดใหญ่โตสักแค่ไหนเพราะเสียงน้ำแตกคลื่นใหญ่พร้อมกระลอกที่เกิดเป็นคลื่นไปไกลรอบทิศมันค้านกันอยู่ถ้าช้างทั้งตัวหล่นจากที่สูงลงไปในน้ำแล้วก็ว่าไม่ถูกเหมือนกันคณะไหนจ้างจะซุบซิบพูดอะไรกันอีกเขาไม่สนใจเริ่มเคลื่อนไหวนำต่อเสียงดารินซึ่งเป็นคนที่มีวิตกต ก, กังวลอยู่ตลอดเวลา เตือนมาเบาๆว่ารอบครอบมากๆนะระพินอย่าลืมนะว่าพวกเรามาครบทั้งกระบวนแบกหามของหนักมาด้วยมีน้ำซ้ำยังต้องท่องน้ำทำให้การเคลื่อนไหวช้ากว่าอยู่บนพื้นดินแห้งไม่มีคำตอบหรือปฏิกิริยาอย่างใดจากพรานใหญ่ทั้งสิน้นนอกจากคืบหน้าเป็นปกติด้วยอาการเยือกเย็นสงบครู่ใหญ่ต่อมาก็มาค้นพบสันเกาะกลางน้า อันเป็นที่ดอนแห้งตรงตามที่คาดหมายไว้ทุกประกาศทั้งหมดภายใต้การนําของจอมพรานอาศัยเดินไต่เลาะไปบนสันดอนซึ่งมีส่วนกว้างไม่เกิน2เมตรนั้นในลักษณะเรียงเดี่ยวผ่านไปในป่าไม้และซุ้มละมาะซึ่งเริ่มจะมีลักษณะเปลี่ยนไปจากที่พบกับชายดงอีกลักษณะหนึ่งมาเรียกระซิบบอกกดารินในระหว่างตรวจตราไปตลอดทางว่าต้นไม้ประเภท ที่ทางโบราณศาสตร์เรียกกันว่าคอนิเฟอร์ทรีพวกซุ้มกอที่ขึ้นอยู่ใต้ไม้ยืนต้นเหล่านั้นล้นวนเป็นพวกเฟิร์นดึกดำบรรทั้งสิ้นดาเริงกลาตามองไปรอบๆอย่างตื่นตื่นหวันหวันว่นยังไงบอกไม่ถูกระยะที่ขึ้นมาเดินเลาะเรียบบนสันเกาะนี้เริ่มจะพ้นเขตดงทึบและเห็นท้องฟ้าและแสงแดดได้เป็นระยะหล่อนระวังตัวแจ ไม่ว่าจะเฉียดผ่านพันไม้ประเภทไหนกลัวว่าปุบปับมันจะสัมแดงฤิดร้รายคุกคามขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยประสบมาก่อนแล้วรู้สึกปลอดโปร่งใจขึ้นมานิดนึงที่สามารถขึ้นมาเดินอยู่บนพื้นดินดอนได้ท่ามกลางน้ำที่ล่อเลี้ยงอยู่รอบด้านทั่วไปแม้จะเห็นว่าเป็นระดับน้ำตื้นๆมองเห็นพื้นก็ตามขณะนี้สองสาวเดินอยู่ชิดกันน่าขบวนหาดอีกสามคู่สียงโคมใหญ่เมต ก, กี่นะถว่าเสียง หล่อนยังไม่วายต่างขาและรู้สึกไม่สบายใจอยู่นั่นเองอดไม่ได้ที่จะหารือไแม่เพื่อนสาวต่างผิวขอฟังฟวามเห็นมาเรียก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมีความเป็นปกติในสีหน้ามากที่สุดต่อทุกสถานการณ์โดยยากที่ใครจะอ่านออกฉันคิดว่าคงเป็นสัตว์ใหญ่ที่หากินหรือมีถิ่นอยู่ในทะเลสาบนั่นแหละเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ามากกว่าอยู่บนบกเสียงดังมตะกี้อาจเป็นการเคลื่อนไหวตัวอย่างปัจจุบันทันด่วนของมัน ดารินจ้องหน้าอีกฝ่ายกะเหม็งกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดฝืดอย่าทำล้อเล่นไปนะเมเสียงพูดของหลอนแทบจะไม่ได้ยินเธอเองก็น่าจะรู้อะไรดีที่สุดในหมู่พวกเรานะนี่ถ้าเห็นถ้าไม่ชอบกุนยังไงแล้วก็เธอควรจะเตือนหรือบอกรบพินจะล่วงหน้าดิไม่เดี๋ยวจวนตัวกระทันหันแกไขไม่ทันหรอกแม่สาวยิ้มให้เอื้อมมือมาจับแขนหมอดารินอย่างปลอบใจน้อยไว้ใจคนค น, นั้นะ เพราะถึงยังไงเขาก็มีประสาทส่วนพิเศษที่สามารถจะสัมผัสกับกลิ่นไออันตรายและเตรียมรับมือแก้ไขได้ทันเสมอละ่ะสำหรับฉันก็ไม่คิดว่ามันจะมีอันตรายอะไรใหญ่ยิ่งเทียมเท่าไทแรนโนซอรัสที่เราประเชิญมาแล้วผลจากกอยักษ์พันกินเนื้อนั่นแะตัวแล้วยังอื่นไม่น่าวิตกกก็แล้วเว่ามันเป็นตัวอะไรล่ะเจ้าของเสียงมาตะกี้ยังเดาไม่ถูก สัตว์ใหญ่ดึกดำบรรหลายชนิดเหลือเกินที่จะทําเสียงน้นได้มาเรียบอกหน้าตาเฉยแต่ฉันคิดว่ามันอาจเป็นไอ้ตัวชนิดที่มีน้ําหนักมากที่สุดตัวของมันแช่อยู่ในน้ําตลอดเวลาผลู้คอยาวขึ้นมาเหนือน้ําหากินตามชายฝั่งทะเลสตา์เป็นพวกกินพืชกระสารายไม่ดูร้ายมีอันตรายอะไรทั้งสิน้นพอมีอะไรมาทําให้ตกใจก็หดหัวลงดํามุดน้ําซ่อนไอเสียงน้ําแต่กระจายโครมใหญ่เมื่อครู่นี้ อา จ, จเป็นเพราะมันฟาดคอยาวเหยียดของมันลงใต้พื้นน้ําก็ได้บรอนโตส a u r u ดาริเมียการเหมือนจะหายใจไม่ออกหล้วอยากจะพูดอยากจะถามอะไรมาเรียมากกว่านั้นแต่ก็หมดเสียงไปซะแล้วได้แต่เดินเข้าขาบวนไปเงียบๆครั้นแล้วชั่วไม่นานต่อมาจุดหมายที่ต้องการก็แลเห็นอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างออกไปมันเป็นเวงของผิวน้ําที่แลลิบลิวกว้างขวา ง, วางออกไปสุดลูกหูลูกตา ประดุดทะเลใหญ่ขวางอยู่เบื้องหน้ายามนี้ผิวน้ําที่ไกลออกไปกระทบกับแสงตะวันยามสายสะท้อนเป็นเงาเลื่อมปากทางที่จะออกไปสู่แนวฝั่งเบื้องหน้านั้นมีลักษณะเหมือนสันดอนหรือแหลมอันเป็นส่วนของดินแดนที่ยืนเป็นส่วนสูงเหนือระดับน้ําริมฝั่งขึ้นมาแวดล้อมไปได้วยเงาของต่าประเภทพารัสและอะโรกาเรียอันมีลักษณะเป็นสนยืนต้นขนาดใหญ่ แผเงาปกคลุมครึ้มอยู่ตามแนวริมฝั่งดูร่มรืม่นแต่ความกว้างใหญ่ไพศาลของท้องน้ำที่สุดสายตาอยู่เบื้องหน้าแ ล, แล้วทำให้ใจหายไม่อาจคาดคะเนดได้ว่ามันจะมีระดับน้ำลึกลำสักเพียงไหนและไปสุดสิ้นมีอาณาบริเวณจะรดกับที่ใดบ้างจากระดับสายตาสามันที่ตะลึงมองกันอยู่ในขณะนี้มีเกาะแกงโผล่ ข, ขึ้นกลางทะเลสาบนั้นอยู่บ้างเหมือนกัน น่าประหลาดที่ว่าห่้วมหานนบอันแลลิปลิวภัยสานั้นมีผิวอันนิ่งสงบประดุดถูกมนอาถรรพ์สะกดให้หลับนิ่งอยู่ชั่วนิรันดรไม่ได้มีระลอกคลื่นกระชอกฉายให้เห็นเลยราวกับว่ามันเป็นฉากเขียนที่ขึงกั้นไว้ฉะนั้นทั้งหมดโดยการเคลื่อนนำของพรานใหญ่เดินอย่างระมัดระวงังและเงียบกริบผ่านดงเฟินและสนโบราณที่แวดล้อมอยู่นั้นเข้าไปจนสุด ชายฝั่งตลิง่งไม่อาจาคืบหน้าต่อไปได้เว้นแต่จะลงท่องน้ำชายฝั่งตื้นตื่น น, นั้นแล้วหยุดยืนสำรวจภูมิภาพรอบตัวทั้งใกล้และไกลอีกครั้งพวกพรันพื้นเมืองปลดของลงจากไหลพักชั่วขณะพับผ่าสิถ้าไมผิวน้ำมันถึงนิ่งไม่ยอมกระดิกอย่างนี้นี่แหละสลล ป, ปี้ลากูลละ่ะในความเงียบงันนั้นใครคนหนึ่งทาลายดุดสนิยภาพขึ้นเบาๆ พร้อมกับฮัมเพลงประกอบไปด้วยอย่างพยายามจะทำอารมณ์ให้ครึกครืน้นจะมีใครถ้าไม่ใช่ใชัยันดารินเอื้อมมือมากดแขนเพื่อนชายไว้แล้วบอกด้วยเสียงกระซิบว่ามันเป็นทะเ ล, ลน้ํากรดในขุมนรกใช่มากกว่าละมั้งชัยันยักไหลสงบเสียงไปในบัตรนั้นและเหมือนนัดกันไว้ทั้งหมดต่างค่อยๆสุดกายลงนั่งเหนือพื้นฝั่งอันปกคลุมด้วยใบเฟิร์นนั้น อย่างระมัดระวังตัวแจเพื่อพักขาระพินไพรวันและพรานทั้งหมดนั้นอยู่ในระหว่างการพิเคราะห์ภูมิประเทศด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดคณะนายจ้างใช้กล้องสองตรวจออกไปตามใช้ฝั่งที่แวดล้อมใกล้เคียงตามเกาะแก่งซึ่งผุดเรียงรายอยู่ทั่วไปและเลยไกลออกไปเบื้องหน้าซึ่งแลดด้วยตาเปล่าว่าเป็นทองฟ้าครึมเขียวย้อยต่ำลงมาแตะติดกับผิวน้า เป็นภาพพระมวัวเลือนลางเพราะระยะห่างเสียงพวกพรานพื้นเมืองซึ่งนั่งจับกลุ่มกันอยู่คุยกันแผ่วเบาต่อทัศนภาพที่เห็นพรานใหญ่งัดแผนที่กะเข็มทิศออกมาคลี่ออกอย่างทีท้วนรอบคอบเพื่อเทียบทิศแล้วบอกไปยังเชิด้าซึ่งกำลังส่องกล้องว่าขณะนี้เราอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบ ร, ราวสี่สิบห้าดีกึ่งกลางพอดี สองกล้องเช็คด้วยนะครับจะได้เทียบว่าตรงกระที่หมายในแผนที่นี่หรือเปล่าว่ามาจะตรวจให้ทิศเหนือกาตะวันออกติดภูเขาเป็นแนวกั้นล้อมไว้ในลักษณะครึ่งวงกลมถูกต้องไหมครับภายหลังจากส่องตรวจด้วยความระมัดระวังอยู่อึดใจใหญ่ท่านหัวหน้าคณะก็ปรากฏรอยยิ้มขึ้นที่ริมฝีปากร้องออกมาอย่างยินดีว่าตรงเป๊ะเลยผู้กอง ทะเลสาบทางด้านเหนือตลอดไปจนถึงตะวันออกนะมีขุนเขากั้นล้อมไว้ระยะห่างประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรเขาสูงชนเมฆทีเดียวละทีน่นี้ด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นหมู่เขาเตีย้ยๆสลับกันอยู่สามยอดยอดกลางเป็นยอดที่สูงกว่าอีกสองยอดไม่ทันที่เชิฐถาจะตอบมาเช่นไรดารินกชัยยันซึ่งช่วยกันสองตรวจตามคาสั่งของระพินอยู่แล้ว ก็ร้องลั่นออกมาพร้อมกันถูกต้องคราวนี้ก็อีกด้านที่เหลือนะครับตะวันออกเฉียงใต้ขวามือของเราด้านนี้นไม่มีภูเขาเลยแต่เป็นแนวป่าสูงสลับไปกระทุ่งบางส่วนเป็นละเมะแล้วก็ป่าโปรง่งโอเคตรงหมดทุกอย่างใช่แล้วด้านนี้ไม่มีภูเขาฝ่ายนายจ้างของเขารีบบอกมาเป็นเสียงเดียวกันอย่างตื่นเต้นจอมพรานเป่าลมพลูออกจากปากอย่างโล่องอก สีหน้าเต็ ม, มด้วยความหวังอันแช่มชื่นถ้างั้นก็แปลว่าเราเข้าสู่เป้าหมายที่ถูกต้องตามแผนที่นี้แล้วละครับไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนไปเลยจนนิดเดียวโล่งอกไปเปล่าหนึงแปลว่าที่เห็นอยู่นี่คือทะเลสาบมรณะที่แผนที่ของมังมาหานรธาระบุไว้แน่แล้วเหรอผู้กองชายันร้องออกมาอย่างลิงโลดโดดเข้าจับแขนเขาไว้ทุกคนต่างปิติยินดีกันทั่วหน้าครับแน่จะยิ่งกว่าแน่แลครับ พรานใหญ่ตอบอย่างสงบแล้วชี้อธิบายประกอบลงไปในแผนที่ให้คณะนายจ้างของเขาดูต ร, รวจสอบเส้นทางมาทุกระยะตั้งแต่จุดหมายแรกเริ่มที่เราสงสัยว่าจะเป็นเขาเกือกมาต่อมาก็ช่องเขาขาดนี่จากช่องเขาขาดเราพบทะเลสาบทางด้านตะวันตกตรงตามแผนที่และเมื่อเรามาอยู่ที่ชายฝั่งทะเลสาบด้านตะวันตกเฉียงใต้ตรงนี้เบื้องหน้าทิศทางต่างๆมีภูมิประเทศ ตรงกับที่เราเห็นหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาเกิดมาช่องเขาขาดและทะเลสาบมรณะทั้งสามจุดหมายนี้ถูกต้องตรงแผนที่แล้วยันกันได้หมดทุกอย่างไม่พลาดไปเลยจนนิดเดียวแล้วเขาก็หัวเราะออกมาเบาๆกล่าวต่อมาว่าพวกเราทุกคนเห็นจะต้องส่งจิตคาระวะไปถึงดวงวิญญาณของมังมหานรธาผู้เขียนแผนที่นี่ใช่แล้วละครับ เพราะเขาไม่เพียงแต่จะเป็นนักผจญภัยเยี่ยมยอดเท่านั้นยังเป็นนักเขียนแผนที่ที่แม่นยําถูกต้องที่สุดไม่ได้เขียนทรงเดชยกเมฆโมเมเลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนในสมัยก่อนจะเก่งในทางแผนที่ถึงขนาดนี้ผมขอสารภาพครับว่าเดี๋ยวนี้ผมมีความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อเส้นทางในแผนที่ฉบับนี้เหลือเกินไม่คิดว่ามันจะเลื่อนลอยไร้สาระอีกแล้วเพราะมันพิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่ามีภูมิประเทศจริง ตรงกับแผนที่บอกไว้ทุกระยะไปทีเดียวเมื่อทางที่แล้วมาถูกต้องทางที่จะคืบหน้าไปก็จะต้องถูกต้องด้วยยกเว้นแต่ว่าเราจะเดินผิดเองเท่านั้นเช่ฐายิ้มออกมาได้อย่างสดชื่นตาพรายไปด้วยความหวังตกไหลพรานใหญ่หนักหน่วงผมก็เชื่อมั่นเช่นเดียวกับคุณ่ะผู้กองแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ว่าคนเขียนแผนที่จะเขียนได้ตรงกับข้อเท็จจริงสักเพียงไหนก็ตาม คนที่สามารถจะจับเส้นทางเดินเข้าหาเป้าหมายในแผนที่ได้ก็จะต้องเป็นนักอ่านแผนที่และนักเดินป่าที่ชำนาญเยี่ยมยอดที่สุดด้วยเหมือนกันเกียรติยศข้อนี้เป็นของพรานใหญ่ระพินไพรวันเต็มเปี่ยมเราทุกคนขอยกย่องคุณอย่างใจจริงจอมพรานก้มศรีรษะให้อย่างอ่อนน้อมเป็นพระคุณอย่างสูงต่อผมครับในคําสรรเสริญยกย่องนี้แต่ผมก็ไม่อาจจะรับได้อย่างถนัดใจนักหรอกนะครับ ถ้าไม่ใช่มีคนใช้พิเศษของคณะเจ้านายทุกคนแง่ทรายเป็นคนคอยช่วยเหลืออยู่ผมก็คงยังไม่อาจเข้าสู่เส้นทางนี้ได้ถูกต้องผมก็ไม่ได้มองข้ามความสำคัญของแง่ทรายหรอกท่านหัวหน้าคณะกล่าวอย่างหนักแน่นมั่นคงตามองไปยังร่างสูงใหญ่ซึ่งบัด น, นี้กำลังยืนมือมองออกไปอย่างห่วงกว้างเหมือนจะเข้าพวังอะไรเงียบๆอยู่คนเดียวห่างออกไปอีกทางหนึ่ง และผมตระหนักดีว่าเงยทรายมีความสามารถเพียงไรแต่สําหรับการจับเส้นทางเข้าหาแผนที่ในครั้งนี้คุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงยิงอยู่เงยทรายอาจช่วยคุณบ้างในบางระยะแต่ก็เป็นการนําแบบปาฏิหารลมเพลมพัดปราศจากหลักเกณฑ์ใดๆทั้งสิน้นและมีคุณเป็นผู้ถือหลักเกณฑ์ในแผนที่ควบคุมไว้อีกทีหนึ่งแผนที่ลายแทงฉบับที่คุณใช้เป็นหลักน่ะไม่มีใครสามารถอ่าน และเข้าใจมันได้ดีไปกว่าคุณทุกคนเพิ่งจะเข้าใจได้เดี๋ยวนี้เองว่าเหตุใดรัพินจึงพยายามที่จะเข้ามาให้ถึงชายฝั่งทะเลสตร์เป็นอันดับแรกที่เป็นดังนั้นก็เพราะเขาต้องการจะเปรียบเทียบทิศทางและค้นหาเป้าหมายต่อไปให้แน่นอนยิ่งขึ้นโดยใช้ทะเลสตร์เป็นหลักนั่นเองและบัตรนี้จอมพรานผู้ยิ่งยง กำลังคาบก้นสิก้าที่เหลือกุดสั้นเพียงนิดเดียวอยู่ที่ริมฝีปากอย่างปโปร่งใจตาจับนิ่งอยู่ในแผนที่ซึ่งวางอยู่บนเครื่องหลังที่เขาวางไว้บนเข่าทั้งสองหลังเอ็พิงต้นไม้ใหญ่ตอนนี้เรารู้ที่หมายแน่นอนแล้วจะเริ่มกันยังไงต่อไปชายันถามคราวนี้เราก็จะไต่เส้นทางตามแผนที่นี้นะครับโดยไม่ต้องมีอะไรลังเลอีกแล้ว รพินพูดช้าๆจากริมฝีปากที่คาบจิก้าอยู่เขาดึงปากกาหมึกแห้งที่เน็บทัดหูอยู่เมื่อครู่นี้ออกมาอีกครั้งเต็มด้วยความมั่นใจเงยหน้าขึ้นมองไปทางด้านเหนือผ่านท้องน้ําไปยังทิวเขียวคลึ้มลิบลิอยู่เบื้องหน้าแล้วขอกล้องจัดชา ย, ยันมาส่องดูด้วยตนเองนิ่งเงียบไปครู่หนึง่งทําให้อีกสองคนที่มีกล้องอยู่ในมือพลอยส่องตามไปด้วยขอบเขาลิบลิบ ทางด้านเหนือที่เราเห็นอยู่นั่นแหละครับคือปลายทิวด้านทิศใต้ของเทือกเขายาวติดกันเป็นพืชซึ่งในแผนที่ฉบับนี้ระ บ, บุไว้ว่าทิวปีครุตมันเป็นเทือกที่ติดต่อกับเทือกพระศิวะเป้าหมายสําคัญของเราครับพร้อมกับพูดเขาละตาจากกล้องอาปากาหมึกแห้งวงบางๆลงในแผนที่ลงบริเวณที่เขียนเป็นรูปเทือกเขาทางด้านเหนือของทะเลสาบมรณะเแล้วลากเส้นแผวดิง เส้นเป็นเส้นตะวันออกเฉียงเหนือไล่ไปตามเทือกเขาในแผนที่นั้นเทือกเขาที่เห็นนี้จะติดต่อกันเป็นพืชยาวเหยียดไปตามตะวันออกเฉียงเหนือราวสามสิบดี g r e ยอดทิวจะทวีความสูงขึ้นไปเป็นลาดับจนกระทั่งถึงระดับใจกลางเทือกตรงนี้ครับที่ระบุไว้ว่ า, วาเทือกเขาพระศิวะเนินพระจันทร์อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเทือกพระศิวะ เป้าหมายในแผนที่คือตรงนี้ครับทุกคนตาเป็นประกายเชิดฐาดีดนิ้วเปาะออกมาชัดแล้วผู้กองหยุดไม้ปลายทางมองเห็นอยู่แค่นี้ใต้เคียงความจริงเข้ามาทุกทีแล้วถ้าตัดจากที่นี่เป็นแนวเส้นตรงเราก็จะเข้าถึงทิวปีครุฑที่เห็นอยู่ลิบลินั่นซึ่งห่างไม่มากนะักแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะข้ามทะเลสาบนี้ไปได้ด้วยวิธีใด ถ้าจะโดยวิธีต่อเรือหรือแพรข้ามไปแล้วก็ขอยับยั้งไว้ก่อนนะไม่เหมาะแน่มาเรียซึ่งตลอดเวลาไม่ได้สนใจแต่สภาพของทะเลสาบประหลาดอันดูเร้นลับน่าพิศวงเท่านั้นแต่ยังให้ความสนใจต่อต้นไม้ทุกต้นที่แวดล้อมอยู่เอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกพรยานใหญ่ยิ้มออกมานิดนึงพร้อมกับสรรันศีรษะช้าๆโง่เกินไปที่จะทาเช่นนั้นคาตอบของเขาราบเรียบ ไม่สอความรู้สึกใดๆตลอดเวลาเราเดินกันมาอย่างหนักแล้วทําไมถึงจะหาทางเดินต่อไปอีกไม่ได้แม้ว่ามันจะอ้อมบ้างก็ตาม อ, อย่างหนึง่งเวลาเรายังมีเหลือพอสมควรที่จะไปให้ถึงเทือกประสิวะได้ทันเวลาไปดี๋นั่งพักกันอีกสักสิบห้านาทีที่นี่แล้วเราจะถอยย้อนกลับออกไปที่ทุ่งอีกครั้งจากนั้นก็จะเดินอ้อมไปทางตะวันออกแล้วตามแนวป่าและทุ่ง โดยอ้อมแนวฝั่งทะเลสาไปทิศทางเบนขึ้นเหนือยังช้ากะว่าไม่เกินห้าหกวันเราก็จะพบกับทิวปีกครุฑที่เห็นอยู่นั่นในตอนที่เหนือขึ้นไปจากนั้นก็จะเดินเรียบขนานเลาะกันแนวทิวขึ้นไปเป็นลำดักจนถึงเนินพระจันทร์ซึ่งนั่นหมายถึงว่าด้านเหนือของเราเทือกเขาพระศิวะจะขวางกัน้นประจันร์หน้าอยู่ไม่ห่างออกไปนักผมแน่ใจว่า ไม่มีอะไรทำให้คลาดเคลื่อนหรือสับสนลส้วสาหรับเส้นทางต่อไปนี้เพราะแผนที่ฉบับนี้บังคับตายตัวมีที่หมายให้ตรวจสอบได้เป็นระยะระยะไปทีเดียวแล้วเขาก็เขียนเส้นทางที่เจตนาจะเดินให้ทุกคนดูพร้อมกับอธิบายคร่าวๆให้ฟังโดยชีย้แจงให้ทราบด้วยว่ามีที่หมายในแผนที่อะไรบ้างซึ่งจะอาศัยตรวจสอบไปเป็นระยะะสี่คนของฝ่ายนายจ้าง ภายหลังจากศึกษาและผลัดกันซักถามอยู่ครูใหญ่ต่างก็เห็นชอบด้วยและเต็มไปด้วยความมั่นใจยิ่งสำหรับเส้นทางในอนาคตที่พลานใหญ่กำหนดไว้ตลอดจนแน่ใจว่าควรจะไปถึงเป้าหมายสำคัญทันตามเวลากำหนดโดยไม่จำเป็นต้องตัดข้ามทะเลสาบที่ขวางหน้าไปพรานใหญ่เก็บแผนที่และเข็มทิศเข้าที่ขยับตัวมานั่งคุกเขา่าชิดริมตลิง่งด้านปลายสุด พิจารณาลงไปยังผิวน้ำตรงหน้าอันเป็นระดับน้ำตื้นและเห็นพื้นและพันไม้น้ำชนิดต่างๆขึ้นเต็มระดับจากช้ยตะหลิ่งที่คณะทั้งหมดมาหยุดพักอยู่ยังจัดว่าเป็นบริเวณชายทะเลสาบ ท, ที่น้ำเอือท่วมถึงลึกประมาณสมฟุตและคงจะลาดลึกลงไปเป็นลำดับเมื่อห่างตะหลิ่งออกไปสีของน้ายังเห็นเป็นสีชาแก่ๆอยู่เช่นนั้นมันอาจจะเป็นเพราะลักษณะของดิน และพืชพันธุ์ไม้น้ำที่งอกอยู่ข้างใต้ก็ได้พวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายก็เริ่มจะแยกย้ายกันออกเดินตรวจริมฝั่งใกล้ๆตามธรรมชาตินิสัยของพรานไม่มีอะไรหรอกพวกนั้นพยายามค้นหาร่องรอยของสัตว์น้ำประเภทที่จะนำมาเป็นอาหารได้นั่นเองไม่เห็นมีปลาจะทำยาได้สักตัวตาเท่าบุญคำบนตั้งท่าถกขเขมิอยากรังคว้าดาบมาถือไว้ในมือ ทำท่าจะเดินลุยน้ําลงไปดูแต่เชษฐาร้องห้ามไว้สะก่อนสั่งให้ทุกคนสงบอยู่แต่เฉพาะบนตะลิ่งก่อนไม่ให้ใครก้าวลงไปในพื้นน้าข้างล่างพรานใหญ่เอามือแกว่งลงไปในผิวน้ำเบาๆมองเห็นจริงตามคําที่พวกพรานพื้นเมืองบอกเขาแหลไม่เห็นปลาแม้แต่ซักตัวเดียวในละแวกใกล้ชิดตะลิ่งแถบนั้นแม้แต่จะเป็นปลาเล็กที่สุดเห็นแต่พวกแมลงน้ําบางชนิดแหวกว่ายอยู่ตามกอไม้ ลักษณะแปลกๆจึงวักน้ำขึ้นมาแตะลิ้นชิมก็เห็นว่าจืดสนิทดีอยู่น้ำไม่มีอะไรผิดปกตินายจ้างทุกคนมองอาการเขาเป็นตาเดียวเหมือนจะรอฟังความเห็นต่อมาจึงเห็นพรานใหญ่วักน้ำขึ้นรูปหน้าและเอาผ้าเขามาที่คาบพุงเช็ดซับชิมน้ำนั่นเข้าไปหวังว่าคงไม่องอกปีกออกมานะระพินดารินพูดมาเบาๆก็ดีสิครับคุณหญิง ผมจะได้บินสำรวจไปทั่วบริเวณ ท, ะ, ทะเลสาบนี่สะดวกขึ้นน้ำเป็นไงมั่งล่ะจิตสนิทเป็นปกติดีครับไหนลองค้นหาร่องรอยให้ดีทีเสียงตูมใหญ่เมื่อต ก, กี้นี่ก่อนที่เราจะมาถึงนี่มันเกิดจากอะไรเชยันเอ่ยขึ้นเบาๆและแน่ละทุกคนยังไม่ลืมเสียงน้ำแตกสนันเมื่อครู่ใหญ่นี้ระหว่างที่เดินลุยน้ากันมามันเป็นเสียงลึกลับ อยู่จนกระทั่งบัดนี้เพราะเมื่อต่างเข้ามาถึงชายฝั่งที่นี่ก็ยังมองไม่เห็นวี่แววอะไรทั้งสิ้นทุกคนใช้สายตาสำรวจไปคนละทิศอีกครั้งอย่างคลางแคลงกันขาอึดใจใหญ่ต่อมานั่นเอง ขยินกระสางปาผู้ยืนหันหน้าไปทางแนวดังฝั่งด้านตะวันตกก็จ้องตาเบิกโพลงทำเสียงอึกอักอยู่ในลำคอฟังไม่เป็นภาษาพร้อมกับชี้มือไปยังกลางแผ่นน้ำทางด้านนั้นทุกคนหันขวับไปมองตามโดยเร็วแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นลงชั่วขณะจะปรากฏการประหลาดที่เห็นผิวน้ำอันราบเรียบราวกับแผ่นกระจกตรงบริเวณนั้นบัดนี้คล้ายกับว่าทุกสายตาจะฝาดฟันเฟือนเหมือนกันไปหมด เพราะเลยเห็นมันปรากฏนูนขึ้นมาผิดกับบริเวณอื่นๆประหนึ่งจะมีภูเขาย่อมๆโผล่ดันขึ้นมาจากเบื้องใต้มันปรากฏเป็นลอนสูงขึ้นมาอย่างแช่มช้าแล้วก็ลดหายย่อบลงไปจังหวะที่น้ํานูนขึ้นมาเป็นลอนใหญ่มาคือมาแล้วลงวูบหัวภาพลงนี้เองทําให้ผิวน้ําบริเวณอื่นสะเทือนกระเพื่อมพร้อมกันหมดกลายเป็นคลื่นลูกโตไหลริว้วเป็นระลอกแผ่รัศมีออกไปรอบด้าน และไล่ตามกันเข้ามาจนถึงชายตะลิงที่คณะทั้งหมดยืนจ้องมองกันอยู่กระทบฝั่งดังอยู่ซ่านซาเฮ้ยอะไรอ่ะปลาวานหรือว่ายักษ์ขุมกันเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นชยันเผยตัวอุทานออกมาอย่างตกใจและบัตรนั้นเองมันก็นูนสูงขึ้นมาอีกลบเขาที่กระ벙ก่อนเร็วเชษถาตะโกนเร็วหรือกระชาแขนน้องสาวที่ยังมัวตะลึงมองอยู่ เพนประยึ์กำบังอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ทุกคนก็ไหวตัวพรือพรับพร้อมกันด้วยสัญชาตญาณหลบภัยโดยไม่ต้องให้เตือนซ้ำแยกย้ายกันเข้าหลบซ่อนตัวตามสุมทุ่งพุ่มไม้โดยไม่ยืนเกรดแต่ให้เป็นเป้าเดิมอยู่ทิ้งกองสัมภาระไว้ตรงนั้นเองคงมีแต่อาวุธปืนติดตัวเท่านั้นคราวนี้ระดับน้ําที่นูนสูงขึ้นมาเป็นหลอ น, นั้นไม่ได้ยุบหายลงเหมือนครั้งแรกหากแต่ปรากฏโผล่สูงขึ้นมาทุกขณะ จนกระทั่งปรากฏเสียงน้ําแตกครื้นใหญ่กระจายเป็นระลอกคลื่นขาวไม่ผิดอะไรกระเรือดำน้าที่โผล่ขึ้นพ้นพื้นน้ําแต่ส่วนที่โผล่นั้นเป็นสีดําคล้ํำก้อนมาฮมาแยกส่วนให้เห็นชัดออกมาจากพื้นน้ำคล้ายจะเป็นส่วนสันหลังอันโค้งนูนของสิ่งมีชีวิตซึ่งเคลื่อนไหวได้บางชนิดซึ่งโผล่พ้นน้ําขึ้นมาแต่ส่วนน้อยเท่านั้นพันแล้วพริบตาต่อมาลําคออันยาวเหยียดเรียวยาวดุดลําตาล ก็ชูพรวดขึ้นสูงตระงานเหนือพ้นน้ำและส่วนสันหลังนั้นปลายของคอยาวะลูดคือสีสะที่เล็กหลิมระยะอันห่างไกลประมาณ300เมตรจากที่กำบังซุ่มตัวของฝ่ายมนุษย์ทั้ง12ชีวิตในขณะนั้นและเกือบจะเหมือนสีสะงูคอยาวเป็นลำตาล น, นั้นหันสายอยู่ไปมาและลำตัวที่ยังมองไม่เห็นชัดซึ่งส่วนใหญ่จม อ, อยู่ในน้าก็เริ่มเคลื่อนไหวเข้าไปชิดชายฝั่ง ด้านตะวันตกชะโงกคอยื่นหัวเข้าไปและเล่มพืชบางชนิดบนยอดไม้สูงริมฝั่งระหว่างที่ทุกคนจ้องด้วยดวงตาแทบถลนออกมานอกบ้าด้วยความตกใจมาริฮ็อกมันก็กระโดดออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกระรองอย่างโล่งอกว่านึกแล้วทายไม่ผิดบอโตซาวรัสไม่ดูร้ายหรือมีอันตรายอะไรหรอกออกมาดูเป็นขวัญตากันเถอะหลายคนแทบจะช็อกจากภาพที่เห็นนั้น กว่าจะระงับสติอารมณ์ได้ก็ต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่โดยมาเรียร้องบอกรับรองซ้ํามาแต่ถึงเช่นนั้นก็ยังไม่มีใครไว้วางใจสนิทนักแม้แต่แฟนใหญ่เองซึ่งแบบ น, นี้ก็กระชับไรเฟิลในมือหันไปจ้องหน้ามาเรียด้วยความกังขาแมนสาวหัวเราเสียงใสร้องชวนเขาอยู่อีกหลายคําจึงค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากที่มัน่นและอาการเช่นนั้นของรพินนั่นเองทําให้ทุกคนโผล่มาจากที่ซุ่มกันทีละคนสองคน กลับเข้ามายืนรวมกลุ่มกันอยู่ริมตะลิ่งตามเดิมจ้องตาขมิงไปยังภาพของเจ้าสัตว์ประหลาดคอยาวที่กำลังเล็มถึงยอดไม้กินอยู่ในระยะห่างออกไปเชิดทาดารินและชยันใช้กล้องส่องดูแล้วครางออกมาในลำคอในขณะที่พวกพลานพื้นเมืองผู้ ก, กันจอกแจกไปหมดอาการเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหวาดสยองแน่ใจนะเมว่าถ้ามันเหลือบมาเห็นเรามันจะไม่ตรงเข้ามาเล่นงาน าฐาถามต่ำๆ ย, ยังยังไม่ไว้วางใจสนิทนักถ้าความรู้เกี่ยวกับโบราณชีวิษาของฉันคลาดเคลื่อนไปก็ช่วยไม่ได้แหลคะครับพี่ใหญ่บนตัวซาวรัสมีขนาดอันมากึมาก็จริงแต่มันอุ้ยอ้ายแล้วก็เชื่องช้ามากชอบแช่ยอยู่ในน้ําตลอดการเหมือนกับฮิโปดูที่สังขารร่างกายของมันก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายอะไรเลยคอยาวหัวเล็กผิดส่วนกับขนาดของร่างกายปานภูเขา มันไม่ได้เป็นสัตว์ที่จะก่อกวนลุกรานใครกันสิ้นและอาหารของมันส่วนมากก็จะเป็นพืชและสาหร่ายน้ําจะไต่ขึ้นมาบนบกแต่ละครั้งก็แทบจะไต่ขึ้นมาไม่ไหวเพราะน้ําหนักตัวอันมากมายไรเฟิลเพียงนัดเดียวเท่านั้นจับเข้าที่หัวเล็กๆหรือการคอของมันก็เสร็จแล้วแต่เราก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปฆ่ามันไม่ใช่เหรอครับพี่ใหญ่สังเกตดูรูปร่างลักษณะของเจ้าสัตว์ชนิดนั้นอย่างวิเคราะห์อีกครั้ง และทุกคนก็เห็นด้วยกับคำพูดของนักโบราณชีวศาสตร์สาวมันไม่น่าจะเป็นสัตว์มีพิษมีภัยต่อสัตว์อื่นใดได้เลยเพราะสังขารไม่ให้มีแต่ความใหญ่โตมโหฬารของร่างกายซึ่งให้ได้ก็แต่ความเชื่องช้าอุ้ยอ้ายเท่านั้นแต่เช่นนั้นก็ยังหายใจกันไม่สู้จะทั่วท้องนักเชษฐาคืนกล้องไปให้ระพินพานใหญ่รับมาส่องเมา ด, ดูก็มองเห็นส่วนลำคอและศีรษะนั้นอย่างถนดัดและวถอนใจเหืึ้ ใจหายใจความหมดเราเห็นจะได้คําตอบของเสียงน้ําที่ระเบิดตูมใหญ่เมื่อครู่นี้แล้วละ่ะไอ้ยักษ์ใหญ่ใต้น้าตัวนี้แหละดารินกายยังสั่นอยู่ด้วยความตื่นเต้นตกใจมือที่กําไรเฟิลคู่ชีพเหนือชุ่มโชกหันไปพูดเสียงเครือกับพี่ชายว่าไม่บอกน้อยไว้ก่อนแล้วล่ะคะ่ะว่าเสียงน้ําที่แตกคลื่นใหญ่เมื่อสักครู่น่าจะเป็นเสียงของไอ้ตัวประหลาดชนิดนี้ เมยเคขาขาดการได้ถูกต้องจริงๆคับพี่ใหญ่แล้วหล่อนก็หันมายิ้มจิตจืดกับจอมพรานคุณคิดถูกแล้วล่ะกระพินที่ไม่คิดจะต่อแพรหรือทำเรือลอยข้ามทะเลนรกนี่ไปเดาไม่ถูกเหมือนกันนะว่าระหว่างที่เราลอยแพรไปบังเอิญมันผูกโครมครามขึ้นมาแบบนี้พอดีพอดีกับจังหวะที่เราผ่านจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วนอกจากไอ้ยักษ์น้านี่แล้วก็ยังเดาไม่ถูกว่าใต้ผีน้านี่ลงไป ยังมีอันตรายหน้ากลัวอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างเห็นหรือยังอะ่ะบุญคำห้ามไม่เชื่อจะลงไปในน้ำนี่ให้ได้เป็นไงคราวนี้อยากลงไปอีกไหมล่ะเอาที่ลองลงไปหาปลาดูสักพักไงเชิดถาพูดไปทางสมุนเท่าของระพินตาบุญคำหน้าซีดเหลือสองนิ้วยกมือขึ้นพนมท่วมหัวสวดอะไรพึมอยู่ในลำคอเจ้ประคุณเอ้ย บุญคำไม่เอาอีกแล้วย่างสักเท่าไรก็ไม่ลงตะเขตะโขงเฮราพยานาะบุญคำไม่กลัวพ่อเคยสอนให้รายมนขับมันออกไปห่างได้เวลาจะลงน้ำแต่ไอตัวเท่าภูเขาคอยาวเหมือนต้นตาล น, นี่พ่อไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าลูกของแก จ, จะมาพบเห็นเขามันไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่โผลไม่เห็นนี่บุญคำก็แทบจะหัวใจหยุดเต้นแล้วว่าแต่มันตัวอะไรเหอนาย ไอ้พันธุ์เหี่ยโบราณนั่นแหละแต่คนละชนิดไก่ที่มันไล่กินเราอย่างที่เจอมาแล้วไอ้ตัวนี้นะมันเป็นพันธ์อยู่ในน้ำไม่ได้กินสัตว์ชายันบอกเหมือนภาพที่ปรากฏให้เห็นเป็นเพียงแต่นิมิตฝันเท่านั้นบรอนโตซารัสตนนั่นปรากฏส่วนสันหลังและลำคอยาวพ้นน้ำให้ฝ่ายมนุษย์ทุกคนได้ประจักษ์ชัดกับสายตาตื่นตะลึงอยู่ชั่วไม่กี่อึดใจ มันก็ลดคอลงดำหายกลืนสนิทลงไปใต้ผิวน้ำตามเดิมทิ้งไว้แต่ละลอกคลื่นอันเกิดจากการเคลื่อนไหวตัวให้กระชอกไปทั่วพื้นน้ำเท่านั้นที่เป็นหลักฐานล่าสุดทิ้งให้เห็นภายหลังจากสงบใจสำรวมสติให้กลับคืนมาเหมือนเดิมอีกครู่พลานใหญ่ก็สั่งคนของเขาให้เตรียมถอยจากฝั่งทะเลสาบนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ทุ่งหญ้าเบื้องนอกตามเดิม ระหว่างที่พวกนั้นตรงเข้ามายังสัมภาระเตรียมจะยกขึ้นแบกใส่บ่าจันก็ชี้มือบอกให้ทุกคนดูไปยังท้องฟ้าเหนือทะเลสาบเบื้องหน้าอีกครั้งเอ๊ะมีนกหากินอยู่เหนือผิวน้ำเหมือนกันเหรอเนี่ยชายันผู้จังไม่สนใจอะไรนะักห่างลิปออกไปเบื้องหน้าคำนวณระยะยังไม่ถูกทุกคนเห็นปีกสีดำตัดกับท้องฟ้าเขียวครามบินฉวัดเฉวียนวอนอยู่บนอากาศเหนือแผ่นน้าของทะเลสาบ เป็นฝูงประมาณ 9-10 ถึงตัวลักษณะการบินเต็มไได้วยความแคล่วคล่องรวดเร็วโฉบแฉล็บอยู่ไปมาและบ่ายหน้ามาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ที่ทุกคนยืนอยู่ในขณะ น, นี้เข้ามาเป็นลำดับคล้ายๆพวกนกที่หากินอยู่ตามผิวน้ำทุกคนมองดูด้วยความรู้สึกอันเป็นปกติแล้วก็ออกเดินเคลื่อนขบวนย้อนกลับไปทางเดิมโดยมีเงาทรายและขยินเดินนาอยู่เบื้องหน้า คงเหลือแต่ระพินซึ่งตามมาเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เขาจะปลักหางตะลิ่งบริเวณนั้นออกมานั่นเองหูก็แววเสียงดังมาจากอากาศเบื้องหลังมันเป็นเสียงสะกิดหูอยู่ยังไงพิกกลแม้จะแววมาแต่ไกลและหางเสียงจางๆก็ตามสำเนียงนั้นดูจะผิดไปจากเสียงนกทุกชนิดตามปะกะติที่เคยได้ยินมันเป็นสำเนียงแหลมยาวเยืกยังไงบอกไม่ถูกคล้ายๆบ่านรอง จึงหันกลับไปดูอีกครั้งสายตาที่เห็นครั้งแรกตอนที่จันเชี่ยดูนั้นขนาดของมันเท่านกนางแอ่นเท่านั้ น, น, นแต่ยามเมื่อเหลียวกลับไปเห็นในครั้งนี้ตัวของมันขยายขนาดรวดเร้าขึ้นมาขนาดแรงไก่งวงช่แล้วและระยะที่เห็นว่าตัวโ ต, วตวขนาดแรงนั้นก็เป็นระยะที่คำนวณได้ว่าห่างถึงตั้งร่วมห้ารอยเมตรจอมพลันหัวคิ้วขมวดและจ้องเขมง็งคุณชายครับเขาร้องเรียกเสียงหนัก จากเสียงเรียกนั่นเองทั้งขบวนหยุดชะงักและพากันหันกลับมามองอีกครั้งด้วยความประหลาดก็เห็นพานใหญ่ยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมตาจ้องออกไปยังกลางทะเลสาบคนเหล่านั้นยังไม่เข้าใจอะไรนักแต่ก็รีบเดินกลับมาโดยเร็วด้วยความประหลาดใจมีอะไรเหรอทั้งสี่คนฝ่ายนายจ้างถามขึ้นพร้อมกันในขณะที่พวกหาบหามยังยืนรออยู่ไม่ได้ตามเข้ามาสมทบด้วยแทนคาตอบ รับินชี้มือไปยังเป้าหมายที่เคลื่อนกระบวนบ่ายหน้าใกลเข้ามาทุกทีเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรกันนี่ก็เมื่อกี้ตัวมัเล็กนิดเดียวนี่นะเฮ้ยทำไมมันถึงใหญ่เร็วขนาดนี้แล้วพุ่งดินีมาทั้งนี้ซะด้วยสิชายันร้องลิ้ th at ữ, นรัวสั่นมันไอ้นกฝูงที่เห็นเมื่อกี้นี่หรือเปล่าเชษฐาถามเร็วหรือจ้องเขม็งตาไม่กระพริบสำเนียงเสียงร้องแหลมยือกนั้นถนัดชัดเจนเข้ามาทุกทีสถานกล้องลงมายังพื้นผิวน้ำเบื้องหน้า บังเกิดกลางวันสะทานก็ไปถึงขั่วหัวใจเหมือนเสียงนกหวีดฝูงเดียวกันครับแต่มันบินเร็วเหลือเกินแล้วก็ตัวใหญ่มากมันไม่ใช่เล็กๆอย่างที่เราคิดกันแต่แรกนะครับมารี จ, จ้องด้วยดวงตาเบิกกว้างและบอกดารินดะลําละลักส่งกล้องสองทางไกลมาให้ราชสกุลสาวภาวะผวาสีเวลาอยู่เพราะหลอนเอากล้องของหลอนยัดใส่ยามหลังเรียบร้อยแล้วแม่เพื่อนสาวต่างผิวไม่ทันใจ จึงเพนก็ไปล่วงออกมาเองอย่างรีบร้อดแล้วยกขึ้นสองดูพริกตาเดียวที่มองเห็นถนัดจากเลนย่นระยะมาเรียก็ร้องก้องลั่นออกมาอ้มแม่เจ้ามันไม่ใช่นกมันคือเทรานโดนดอนตัวอะไรชายันกระเชิถาตะโกนสุดเสียงเทโลโซมันเป็นสัตว์เลื้อยคานประเภทมีปีกบินได้พันเ ท, ทราเทราโดนดอนเป็นพันใหญ่ที่สุดและไร้กาที่สุด ของพวกมันมันเห็นเราแล้วกำลังพุ่งเข้ามามาเรียพูดและล่ำละลักได้เพียงนั้นก็ทิ้งกล้องสองทางไกลหลุดมือลงสลัดไรเฟิลจุด3 7หออกจากไหล ย, ยังลนลานซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เงาปีกอันเป็นพืชหนังประกอบด้วยเล็บอันแหลมคมกระพืชตัดอากาศตรงเข้ามาราว ก, กลมเพชเจอหึงห่างขึ้นไปบงบนศีรษะไม่เกินรอยเมตรแต่ละปที่กลางแผ่ไปนั้นยาวเหยียดรวม20ุ จะงอยปากอันแหลมคมยาวเป็นหอกเหมือนอีกาปากเหล็กในอบบยภูมิที่จิตรกรวาดไว้และงอนยาวโค้งเหนือศีรษะเป็นตะขออยู่เบื้องหลังกระจายออกยิงปะทะไว้เร็วระพินตะเบงเสียงแข่งกระลมปที่อื้นอึงอยู่เหนือศีรษะและเสียงที่กรีดร้องประดุดเปรตขอส่วนบุญก้องไปหมดนั้นพร้อมกับผลักดารินพวกมวยืนตะลึงจ้องตาค้างอยู่ ศีษาปักลุล้นๆจากท่าที่ยืนจังงางเป็นเป้าเด่นอยู่เข้าไปที่ใต้โคนไม้ใหญ่ข้างทาง